สหัตสธรรมะสิกขาบท106ถามทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะเล่นน้ําณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุสัตตะสวรคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุสัตตะสวรคี